เสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายทุกวันนี้มนุษย์กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างน่าสงสารโลกเต็มไปได้วยความวุ่นวายสับสนทุกชีวิตต้องต่อสู้ต้องเผชิญกับความผิดหวังอุปสรรคความสูญเสียและความล้มเหลวเพื่อเอาชนะหรือข้ามพ้นความทุกข์ยากเหล่านี้ธรรมทัศสมาคม จึงขอเสนอวิธีแก้ทุกข์ทางใจด้วยการรวบรวมพุทธพจน์และข้อคิดของนักคิดนักปราชญ์ที่ดีมีสาระมาเสนอต่อท่านผู้ฟังเทปชุดนี้จะบอกวิธีแก้ทุกข์ทางใจอย่างไรบ้างก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้ สายธารที่ไหลลดเดียวเคี้ยวคดและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องยากคือยากที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจเมื่อคิดถึงชีวิตครั้งใดไม่ว่าชีวิตของเราเองหรือของผู้อื่นจะมีเครื่องหมายคาถามผุดขึ้นมาในจิตใจของเราครั้งนั้นว่าทำไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นคนนี้จึงเป็นอย่างนี้ ชีวิตมีองค์ประกอบมากมายมีความสลับซับซ้อนทุกชีวิตมีกรรมงการอยู่เบื้องหลังและเชื่อมโยงอยู่ด้วยกรรมปัจจุบันอีกชีวิตจริงจึงมีเรื่องยุ่งยากและสับสนยิ่งกว่าชีวิตในนิยายเสียอีกนวนิยายนั้นอันที่แท้ก็คือภาพจาลองของชีวิตจริงนั่นเองเรื่องสั้นทุกเรื่อง เป็นการแสดงถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นและเป็นหลักที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมจะมีแรงถักดันอยู่ด้วยเสมอไปไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไปในทางดีหรือทางร้ายปัญหาชีวิตจึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และสาคัญยิ่งกว่าปัญหาใดๆในวงจรของมนุษยชาติเราอาจจะเรียนวิชาการอย่างอื่นให้จบได้ ในระยะเวลา10ปีถึง20ปีแต่เรื่องของชีวิตเราต้องเรียนกันทั้งชีวิตถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะเรียนเรื่องของชีวิตให้จบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตัสรู้เรื่องของชีวิตนี่เองพระองค์สามารถเข้าใจชีวิตได้ปลอดโปรง่งเพราะพระองค์สามารถรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน ผู้ที่รู้จักชีวิตเฉพาะปัจจุบันมืดมนต่ออดีตและอนาคตนั้นยากนักที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในชีวิตไปได้แต่ผู้มีปัญญาก็อาศัยความผิดพลาดนั่นเองเป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องของชีวิตได้ดีกว่าเด็กก็เพราะเคยผิดพลาดมามากแล้วนั่นเอง สายธารที่เปลี่ยนทางนั้นหมายถึงสายฐานแห่งชีวิตซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นทางดีที่สุดในบรรดาชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยขวามหนามเรื่องเศร้าการกระทบกระเทือนใจความผิดหวังการรู้ความจริงที่ว่า สิ่งที่จะเป็นมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจะต้องไม่เป็นนั่นเป็นยาวิเศษสำหรับแก้โรควิตกกังวลกระแสชีวิตไม่ต่างอะไรกับกระแสน้ำบางแห่งก็ไหลเอื่อยบางแห่งก็วกวนบุนเวียนบางแห่งก็ไหลเวีย น, ยนอย่างหน้าหวาดเสียวชีวิตก่อตัวขึ้นมาจากการแผดเผาของธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งผูกมัดรัดลึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เกาะเกี่ยวอยู่กับโลกและแล้วก็บังคับให้วิ่งกระหืดกระหอบไปตามความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกอันไม่มีที่หยุดหย่อนพ่อนพักชีวิตได้สลายลงเป็นฉากๆเป็นตอนๆแล้วก่อตัวขึ้นใหม่อาจจะเร็วกว่าเก่าเสมอเก่าหรือดีกว่าเก่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแห่งชีวิตนั้นเหมือนกระแสธานถูกแผดเผาให้กลายเป็นไอจับกันเป็นกลุ่มก้อนรวมตัวกันเป็นเมฆแล้วแปลสภาพเป็นสายฝนหลั่งลงสู่ปะตะพีทําให้พื้นที่ชื้นแฉะไหลบ่าลงสู่ลาําธารห้วยหนองคลองบึงและมหาสมุทรแล้วก็กลายเป็นไอเป็นเมฆแล้วก็เป็นสายฝนใหม่ วนเวียนกันอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นชีวิตมิได้เกิดโดยบังเอิญแต่ปัญมีมาตามเจตจำนงเดิมแห่งเจ้าของแต่ประหลาดที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามเจตจำนงใหม่ที่แฝงอยู่ด้วยความเขาไม่รู้จักกฎแห่งชีวิตนั้นมันจะเป็นไปตามเจตนาใหม่ที่มอบให้ปัญญาเป็นผู้ควบคุมเท่านั้นชีวิตจะเปลี่ยนเส้นทาง ก็ต่อเมื่อเจ้าของชีวิตนั้นกรรมกรรมไม่ใช่หรือเป็นผู้บงการและบอกบทในละครฉากต่างๆสมแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นพวงมาลัยแห่งชีวิตย่อมหันเหวิถีชีวิตไปตามอำนาจแห่งการกระทําของบุคคลเสมือนเรือเหวหัวไปตามความมุนของพวงมาลัย ซึ่งมีนายเรืออยู่เบื้องหลังก็อะไรเล่าคือนายแห่งนาวาชีวิตธรรมะและอธรรมนั่นเองเป็นนายแห่งนาวาชีวิตเมื่อใดอธรรมเข้ามาจับพวงมารายมันย่อมบิดผันบุญพวงมารายไปสู่ทิศทางที่ระดับไปด้วยอันตรายนำชีวิตไปสู่ความร่มจมแตกดับเมื่อใดธรรมะเข้ามาคุมพวงมาราย ชีวิตนี้ก็จะถูกหมุนไปสู่ทิศทางที่ปลอดภัยธรรมะและอธรรมจึงมีผลไม่เสมอกันอธรรมนำไปสู่ความลำบากแต่ธรรมะนำไปสู่ความสงบสุขอธรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามานเพราะมันคอยล้างผานบุคคลให้ย่อยยับอยู่เสมอ สิ่งที่หาได้ในทุกแห่งและทุกฐานะเว้นแต่บุคคลจะรู้จักมองหาหรือไม่เท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหาความสุขได้แม้ในสถานะที่น่าทุกข์ตรงกันข้ามกับคนเขาแม้จะอยู่ในฐานะที่น่าจะสุขก็มีแต่หาความทุกข์ร้อนเศร้าหมองเสียร่ำไปถ้าเราฝึกใจให้อดได้ ทนได้อยู่เสมอเสมอเราจะมีความสุขความสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนร้ายและเรื่องร้ายอยู่มากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนและในฐานะใดย่อมจะต้องพบกับคนร้ายเรื่องร้ายอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้นั่นเป็นเรื่องที่ประเสริฐแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ในทันที ก็ลองอดทนดูเป็นการศึกษาสถานการณ์และศึกษาบุคคลพร้อมๆกันไปนานๆเข้าเรื่องที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องร้ายในเบื้องต้นอาจจะเป็นผลแก่เราในบั้นปลายจงดูเถิดขยะมูลฝอยที่ใครๆทิ้งลงแต่พื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้นไว้ได้การเวลาล่วงไปขยะมูลฝอยนั้นก็กลายเป็นปุ๋ย ที่ดินตรงนั้นกลายเป็นดินที่มีคนต้องการมีราคามากปลูกพืชผักอะไรลงก็ขึ้นได้เร็วและสวยงามคนที่ฝึกตนให้อดได้ทนได้มักจะเป็นคนที่มีค่าแก่สังคมอย่างมากสถานที่จำกัดทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยแต่คนเพิ่มมากขึ้นนานวันไปมนุษย์ยิ่งจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากขึ้น ความบากบั่นอดทนก็จะต้องใช้มากขึ้นนอกจากนี้ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลวมีอัธยาศัยปราณีตและอัธาายาศัยซามยิ่งผู้น้อยที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีอัธาายาศัยซามเห็นแก่ตัวและหดร้ายด้วยแล้วเขาจะต้องกระทบกระเทือนใจและอดทนสักเพียงใดลองให้ผู้ใหญ่เลวๆอย่างนั้น ไปอยู่ใต้บงังคับบัญชาของคนอื่นดูบ้างสิเขาจะเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาที่เลวหรือไม่แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันหรือบางทีก็มีอยู่เสมอๆที่ทาให้เราต้องประหลาดใจว่าเหตุไนคนเลวๆอย่างนี้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมามันเป็นเรื่องของกรรมที่สลับซับซ้อนสุดที่จะแยกแยะให้ทีท่วนด้วยปัญญาสามัญ ปรารถนาของมนุษย์ทั่วโลกนอกจากปัจจัยสี่แล้วไมตรีย่อมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแม้จะมีลาบมียศเพียงไรหากปราศจากไมตรีจิตไม่มีใครแสดงความชื่นชมยินดีต่อลาบและยศนั้นแล้วดูเหมือนมันจะปราศจากความหมายเสมือนป่าช้าที่ไม่มีใครมาเผาเลยมีก็สักแต่ว่าชื่อบุคคลแม้ไม่มีลาบ หรือยศมากมายแต่อบอุ่นอยู่ท่ามกลางมิตรหายมีผู้รักใกล้เคารพนับถือย่อมจะรู้สึกตนว่าชีวิตเป็นของมีค่าพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่ตนและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในบางแง่ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ดิเรกชาน ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันสัตว์ที่ร่วมกันอยู่เป็นฝูงต้องมีจ่าฝูงเสมอและจ่าฝูงนั้นจะต้องมีลักษณะดีเด่นเป็นที่เกรงกลัวของสัตว์อื่นต้องมีกำลังและความสามารถสูงแต่จะครองความเป็นจ่าฝูงอยู่ตลอดไปนานไม่ได้เพราะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องมีสัตว์ที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่ามีกาลังความสามารถกว่า เกิดขึ้นมาต่อสู้จนจากฝูงเดิมนั้นท่ายแพ้ไปและสัตว์ตัวที่ชนะก็ครองความเป็นใหญ่แทนในหมู่มนุษย์ก็มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้อยู่เสมอร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ได้ยืนยันความจริงเรื่องนี้เสมอมาเรื่องอำนาจนั้นจะได้มาโดยไม่ต้องขวนขวายหาสำเร็จไหมการแก้ปัญหาสังคมก็เช่นกันต้องมีอานาจเสียก่อน จึงจะแก้ได้สะดวกมิฉะนั้นก็จะพบแต่อุปสรรคร่ำไปการทำติดต่อไม่จับจดเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลสำเร็จแม้จะทำทีละเล็กทีละน้อย ก็ขอให้ติดต่อสม่ำเสมอสิ่งที่มีผลยั่งยืนมั่นคงมักจะเห็นผลช้าผู้ทำต้องมีความอดทนโดยความเป็นผลยั่งยืนมั่นคงความเพียรพยายามนั้นมีผลในตัวของมันเองความพยายามในทางที่ชอบ ซึ่งพระท่านเรียกว่าสัมมาวายามะนั้นย่อมมีผลดีเสมอไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่เร็วก็ช้าส่วนความเกียดคร้านความเบื่อหน่ายในการงานเป็นทางแห่งความร่มเหลวไม่มีใครที่จะใช้ความเกียดคร้านเป็นเครื่องมือแล้วประสบผลสำเร็จ ตามที่ใจปรารถนาไปเสหมดทุกอย่างทุกคนมีเรื่องอึดอัดข้องใจแม้แต่จอมจั ก, กรพรรดิผู้มีอำนาจเกรียงไกรก็หาทำอะไรได้ตามพระไทยปรารถนาได้ทุกอย่างไม่และโดยเฉพาะผู้ที่ยิ่งใหญ่มากเท่าใดก็ยิ่งหมดเสรีภาพยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งนี้เพราะประเพณีและสังคมคอยกำจัดเสรีภาพของบุคคลเช่นนั้นให้อยู่ในวงจำกัด จะไปไหนทำอะไรก็ล้วนแต่มีผู้รู้เห็นไปทิหมดจึงต้องระวังมากและหาความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยถ้าจะทำเพื่อความสุขความปรารถนาของเราก็เป็นความผิดแม้จะเป็นความสุขแต่มันเป็นความผิด เราไม่ควรจะสแสวงหาความสุขเช่นนั้นทางปลอดภัยและทางที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือยอมรับสภาพอันแท้จริงของตนเสียเพราะการหลอกลวงคนอื่นก็คือการหลอกลวงตนเองนั่นเองคนแรกที่สุดที่เราหลอกลวงก็คือตัวของเราเอง แล้วต่อไปจึงถึงคนอื่นคนเราย่อมสร้างคุณงามความดีเพื่อตัวเองแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเป็นกำลังใจก็จะมีแรงบวกเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อตัวของเขาเองและอีกส่วนหนึ่งเพื่อคนที่เขารัก ความทุก์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องอดทนแต่ความสุขเป็นเรื่องที่เราต้องทนอดการทนอดเป็นเรื่องยากกว่าการอดทนเพราะคนส่วนมากอดไม่ได้ความอดทนเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นภาวะจำยอมแต่การทนอดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้กําลังใจที่เข้มแข็งมากอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องระวังกายระวังใจมิให้หมกมุ่นจนเสียคนและอารมณ์ที่น่าปรารถนานี่เองดูเหมือนจะมีอิทธิพลทําให้เสียคนมากกว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาถ้าพูดถึงความเข้มแข็งผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาได้ย่อมมีความเข้มแข็งกว่าผู้ที่อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความจริงผู้ที่อดทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้ เราควรจะยกย่องมากอยู่แล้วแต่คนที่ทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาได้ควรจะได้รับความยกย่องยิ่งขึ้นไปอีกบุคคลย่อมมีพฤติกรรมต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างในขณะที่ได้รับสิ่งเราอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งชีวิตการอบรมศึกษาความเชื่อถือทางศาสนาและโรคประจำกายสิ่งเหล่านี้ร่วนมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของบุคคลที่แสดงโต้ตอบต่อสิ่งเรา้าหรืออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา จุลปันทกเธออย่าคิดเพียงว่าผ้านี้เปื้อนธุรีเศร้าหมองแล้วแต่เธอควรจะคิดถึงธุรีภายในมีราคะเป็นต้นและจงนําธุรีนั้นออกเสียดูก่อนจุรปันฑกราคะนั่นเองคือธุรีส่วนฝุ่นละอองหาใช่ธุรีไม่คําว่าธุรีเป็นชื่อพิเศษของราคะเพราะฉะนั้นภิกษุละธุรีคือราคะนั้น แล้วอยู่ในศาสนาของตถาคตผู้ปราศจากราคะในเรื่องโทสะและโมหะก็ทำนองเดียวกันโทสะและโมหะนั่นเองคือทุดีฝุ่นละองหาชื่อว่าทุดีไม่จึงควรละโทสะและโมหะภายในจิตใจเสียก็จะอยู่เป็นสุขในศาสนาของตถาคตผู้ปราศจากโทสะและโมหะนั้น อุปนิสัยและบารมีแน่นอนทีเดียวสิ่งนี้มีความสำคัญในความสำเร็จแห่งชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งบุคคลมีอุปนิสัยและบารมีทางใดเมื่อได้ดำเนินชีวิตไปในทางนั้นย่อมประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามหากไม่มีอุปนิสัยและบารมีในทางนั้นแม้จะทำก็ทำไม่ค่อยได้ดีและประสบผลสาเร็จยากเหลือเกิน นายที่ใช้คนให้ถูกกับอุปนิสัยของเขาย่อมได้รับผลงานอันเลิศคนที่ทำงานตรงกับสายแห่งความถนัดของตนตรงกับอุปนิสัยและบารมีอันตนเคยสั่งสมมาย่อมมีความสุขและทำงานให้สำเร็จรุล่วงไปได้อย่างงดงามปราณีตมีแต่ความสุข มีคนเป็นอันมากเห็นตำแหน่งอะไรที่ดีมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรต์ก็อยากได้อยากเป็นโดยไม่ได้คำนึงว่าตนจะรับภาระในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่ตนจะมีความสามารถพอหรือไม่จะนำตัวเองไปฝังเสีงในตำแหน่งนั้นหรือไม่คนโง่มักแย่งตำแหน่งกันคนฉลาดต้องให้ตำแหน่งมากสุนัขหิว เมื่อมีอาหารวางอยู่เบื้องหน้าก็แย่งกันกัดกันบางทีอาหารนั้นกระจุยกระจายไปหมดไม่ได้กินเลยสักตัวเดียวฟัดกันจนเจ็บเปล่าอาหารก็ไม่ได้กินส่วนพยาโคจรสารจะกินอ้อยสักลำก็ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีก จำไว้เถิดว่าคนที่ร่วมกันประกอบกรมชั่วนั้นจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่ได้หากได้บ้างก็จะไม่ยั่งยืนเพราะต่างก็ระแวงกันไม่เชื่อกันมิตรภาพจะตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความชั่วไม่ได้นานความชั่วเป็นสิ่งที่มีลักษณะทำลายไม่ใช่สิ่งสร้างสรรหากปรารถนาให้มิตรภาพยั่งยืนจะต้องร่วมกันประกอบกมดี ที่ระดึกถึงแล้วสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายบุคคลผู้มีปัญญาแหลมคมย่อมตั้งตนได้แม้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยเหมือนกองไฟใหญ่เริ่มมาจากกองเล็กๆฉะนั้นพิสูนทั้งหลาย ในทํานองเดียวกันพิกษุผู้มีความเพียรสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งย่อมมีโอกาสได้รับโลกุตตรธรรมอันประเสริฐเป็นการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนที่น้ำคือกิเลส ท, ท่วมไม่ถึงด้วยความขยันหมั่นเพียรความไม่ประมาทความสารวมตนและความข่มใจฝึกฝนตนคุณธรรมเหล่านี้ย่อมนำผู้ปฏิบัติไปสู่แดนกเกษมจากโยคะ คือกิเลสมีความสงบเย็นอันเป็นผลยั่งยืนพระบรมศาสดาเป็นเสมือนแพทย์ผู้ฉลาดรอบรู้ในเรื่องของโรคเหตุเกิดของโรคความดับโรค และยาเป็นเครื่องดับโรคพร้อมทั้งประวัติของคนไข้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการจึงสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทรงวางยาถูกทุกครั้งไปไม่ต้องเสียเวลาลองยาผิดบ้างถูกบ้างอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าและเสียกำลังใจแก่คนไข้ พุทธองค์ตรัสถึงเรื่องโรคสองอย่างคือโรคทางกายและโรคทางใจว่าคนที่ไม่เป็นโรคทางกายหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างจนถึงร้อยปีบ้างก็พอมีแต่ที่จปะปฏิญญาณตนว่าไม่เป็นโรคทางจิตหรือทางใจแม้เพียงครู่เดียวหาได้ยากมากเว้นไว้แต่พระขีณาสพโรคทางจิตมีความสําคัญมาก มีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมีคนอยู่ไม่น้อยที่พอไม่สบายใจอาการแห่งโรคทางกายก็ปรากฏเช่นหน้ามืดวิงเวียนปวดศีรษะนอกจากนี้ยังมีอาการทางกระเพาะอาหารอีกด้วยการทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสยอยู่เสมอนอกจากจะทําให้มีความสุขประจําวันแล้วยังเป็นการป้องกันโรคทางกายอันมีสาเหตุมาจากจิต อีกด้วยอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองในสันดานทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในใจของบุคคลผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ผู้ตั้งใจศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในนิพพานอันเป็นธรรมชาติสงบ ระงับความทุกข์ความดิ้นรนทั้งปวงอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีมีปัญญาพึงดูหมิ่นอายุนั้นคือไม่ควรภูมิใจเพลินใจในอายุว่ามีมากพึงรีบประพฤติความดีเสมือนผู้อันไฟติด อยู่ทั่วแล้วที่ศีรษะรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นอันไม่มีโลกนี้มืดจิ้งนักสัตว์โลกส่วนใหญ่เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งและมีคนเป็นจำนวนน้อย ที่จะไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดขายแล้วที่จะพ้นจากขายของนายพรานนั้นมีน้อยมากเพราะผลประโยชน์ขัดกันเรื่องนี้ได้เป็นสาเหตุแห่งสงครามตลอดมาตั้งแต่บำพการนานไกลมาจวบจนทุกวันนี้ สาเหตุแห่งสงครามกับจำนวนแห่งสงครามนั้นเป็นคนละอย่างสาเหตุแห่งสงครามต้องมีมาก่อนและยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นเวลานานเหมือนน้ำเต็มแก้วจนปริ่มหยดลงไปอีกเพียงหยดเดียวก็หกอาการที่เต็มแก้วนั้นเปรียบเสมือนสาเหตุแห่งสงครามน้ำหยดเดียวคือชนวนแห่งสงคราม สงครามก็คือความวอดวายความเป็นความตายลมสลายเผ่าพันสงครามทำลายดังไปร้ายเหล่ากันดิง่งปืนคาวันเลือดทุง่งทุ่งตั้งหานตายตายตายเป็นแสนเป็นล้านลมเจ็นทรมานก็เป็นล้านเป็นแานการบูชา การทะเลาะเบาแว่งระหว่างบุคคลหรือครอบครัวสาเหตุใหญ่ก็ไปจากผลประโยชน์ที่ขัดกันหากประโยชน์ไปกันได้จะไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทใ ด, ดๆเกิดขึ้นเลยไม่ว่าในวงแคบหรือส่วนกว้างแต่ตราบใดที่มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวยังมีทิฐิมานะการวิวาทหรือสงครามก็ยังจะมีไปตราบนั้น ทุกคนเงียบในความเงียบนั่นเองเหตุผลก็เกิดขึ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะในความเงียบนั้นบุคคลได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองใคร้ครวญถึงกรรมของตัวเพราะฉะนั้นโบราณจึงสอนว่าหากจะทำสิ่งใดซึ่งต้องการการตัดสินใจที่ถูกต้องให้ไปอยู่ในที่เงียบสงดเสียสักระยะหนึ่งเหตุผลต่างๆจะเด่นชัดมากกว่า อยู่ในที่วุ่นวายอันหนึ่งคนที่เคยประกอบก ร, รมชั่วซึ่งเป็นตราประทับอยู่ในดวงใจนั้นไม่มีโอกาสใดที่จะทรมานมากเหมือนเวลาที่อยู่ในที่สงัดเพียงผู้เดียวมนุษย์ทั้งหลายอื่น ส่วนใหญ่จมตัวเองอยู่ในกาม ก, กิเลิ์และวัตตสงสารเหมือนนกที่เคยกรงแม้ประตูกรงจะเปิดอ้าออกก็หากล้าบินออกไปไม่เพราะเต็มไปด้วยความหวั่นไหวและหวั่นเกรงแต่พระบรมศาสดา พ, พระองค์นั้นเสมือนกับนกที่กล้าหาญเมื่อประตูกรงเผยออกเพียงเล็กน้อยก็บินออกไปทันทีและได้ประสบกับสุขสาราญในป่ากว้างเป็นอิสระ อย่างแท้จริงมนุษย์เราเกิดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งภาวะแห่งการเกิดและสาเหตุที่ทำให้เกิดดังนั้นมนุษย์ แม้จะแตกต่างกันบ้างในเรื่องปีกย่อยอื่นๆแต่สิ่งที่ร่ำรวยอยู่ด้วยกันทุกคนก็คือความทุกข์บุคคลจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามแต่เขาไม่เคยที่จะขาดแคลนความทุกข์เลยมันต่างกันแต่เพียงปริมาณและรูปลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นรอยช้ำในดวงใจเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์ทรมานเป็นส่วนหนึ่งแห่งความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่รักษาให้หายได้ถ้าไม่อาจให้หายได้ด้วยวิธีอื่นหรือไม่มีใครช่วยรักษาการเวลานั่นแหละจะช่วยรักษาสนิมในดวงใจเป็นสิ่งที่เคาะออกได้ถ้าเขาพยายามจะเคาะมันความทุกข์ยากลําบากแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการและพยายามที่จะดีกเลี้่อมมันก็จริงแต่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยพบมันและมัน ไม่ได้ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวเพราะคนที่จะเห็นโลกและชีวิตได้อย่างกระจ่างแจ้งทุกแง่ทุกมุมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านความทุกข์ความยากจนดวงตาถูกร้างให้สะอาดแจ่มใสด้วยน้ำตาอยู่เสมออันหนึ่งเล่าปัชยายชีวิตจากมหาวิทีลัยความละบากยากแค้นนั้นเป็นที่ดาเนินชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย จะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเลยและจะกลายเป็นคนโง่ในชีวิตไปโดยตลอดข้าพเจ้ามิได้แนะนําให้ท่านจมอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแต่ข้าพเจ้าขอให้ท่านถือเอาความลําบากเป็นบทเรียนเป็นขอนสําหรับรองเหยียบไปสู่ความสงบสุขในบ้านปลายทิ้งความชอกช้ำลาบากไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้ว เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนความสุขของโรกียชนนั้นมีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ต้องลงทุนเหมือนผู้พยายามหาเพชรในหินแม้จะได้เพชรมาแต่ประโยชน์ของมันมีน้อยและยังนำอันตรายมาสู่เจ้าของมากกว่าจะนำความสุขมาสัตว์โรคทุรนทุรายเหมือนยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีไฟโหมอยู่รอบด้าน จะลงก็ไม่ไหวจะขึ้นไปอีกก็ไม่ได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อความทุกข์ทรมานแต่พอรู้จักทุกข์เพราะเรื่องเกิดมาเขาก็เกิดมาเสียแล้วจะถอยหลังไปได้อย่างไรถ้ารู้ว่าเกิดมาจะต้องทนทุกข์ทรมานเยี่ยงนี้ใครเล่าจะสมัครใจเกิด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 แต่บางคนอาจจะระทมด้วยอดีตที่แสนเศร้ามันได้ร่วงไปแล้วทั้งอดีตที่รื่นรมและระทมทุกเหมือนความฝันที่จริงจังในราตรีและแล้วก็ลบเลือนไปในที่วากาลไม่มีอะไรจริงจังยั่งยืนเลยแม้แต่อย่างเดียวความไม่ยั่งยืนเท่านั้นที่ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป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 จะแต่งงานก็น่าจะพิจารณาถึงความเข้าใจอันดีต่อกันยิ่งกว่าที่จะพิจารณาถึงความรักเพราะความรักที่มีขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่อาจจะแยกกันได้ห่างกันได้นั้นมีความใคร่ผสมอยู่เป็นอันมากแต่บุคคลที่เข้าใจดีต่อกันก็จะรักกันไปเอง คนในโรคนี้ไม่มีใครเลยที่ไร้ประโยชน์ข้อสำคัญอยู่ที่รู้จักใช้หรือไม่เท่านั้นคนที่ฉลาดอาจจะใช้ประโยชน์จากคนทุกประเภทได้ดีนับว่าเป็นสิ่งที่เลิศอย่างยิ่งก็คือตนเองยังพิจารณาใช้ประโยชน์จากตัวเองได้ดีอีกด้วยใครเล่าจะเป็นผู้ควรสงสารสังเวชเท่ากับคนที่มองข้ามตนเองไปและดูหมิ่นเยียดหยามตนเอง ว่าเป็นคนใช้อะไรไม่ได้เลยด้วยนึกว่าเสียหายจนหมดแล้วสาหาอเอยสัตว์ตกลงไปในบ่อน้ำยังพยายามตะเกียดตะกายหาทางขึ้นสูเป็นมนุษย์ผู้ได้รับการยกย่องว่าสูงกว่าสัตว์แค่ไหนจึงยอมงอมืองอเท้าไม่ช่วยตัวเองให้พ้นจากบ่อคือความทุกข์ยากลำบากทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นประธานเป็นสิ่งสำคัญสำเร็จมาแต่ใจเมื่อใจผ่องใสแล้วการกระทำและการพูดก็ดีตามความสุขย่อมเกิดตามบุคคลผู้ทำดีพูดดีและคิดดีเสมือนเงาตามบุคคลไปฉะนั้น คนยากจนต้องอดทนต้องหวานอมขมกืนต้องพยายามเราต้องทนได้ต่อสิ่งที่คนร่ารวยเข้าทนกันไม่ได้คนร่ารวยมักจะไม่ค่อยรู้จักรสขมของชีวิตจึงมักขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรัะถนงในเกียรติยศและทรัพย์แต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะหาคนที่ร่ารวยที่มีน้ำใจดีน่าบูชาเสียไม่ได้เลย คนร่ำรวยที่มีใจเมตตากรุณาก็มีอยู่มากการศึกษาดีเป็นช่องทางที่จะนำไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ง่ายแต่ลูกต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีการศึกษาดีนั้นจะต้องมีความประพฤติดีด้วยจึงจะผ่าตัวได้รอด คนที่หาได้ยากมีอยู่สองพวกคือบุพการีผู้ทําอุปการะให้ก่อนพวกหนึ่งและอีกพวกหนึ่งคือกตัญญูกตเวทีผู้รู้สํานึกในอุปการะของท่านและทําตอบแทนในชีวิตของตนคนคนหนึ่งย่อมจะหาผู้อุปการะได้ไม่กี่คนที่เรียกว่าผู้อุปการะนั้นหาได้ยากและยิ่งคนที่มีความกตัญญูกเตเวที ก็ยิ่งหาได้ยากมากขึ้นความกระตัญญูเป็นคุณธรรมของผู้มีจิตใจสูงแต่เราก็มาปรงเสว่าการทำอุปการะผู้อื่นการทำกรรมดีเป็นหน้าที่ที่เราควรจะทำส่วนการตอบแทนนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่รับอุปการะไปเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนก็เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขามีฐานะที่จะตอบแทนได้แล้วไม่ตอบแทน ผู้อุปการะนั้นก็ได้รับความดีไปแล้วตั้งแต่เริ่มทำถ้าเขาตอบแทนก็เป็นความดีส่วนหนึ่งของเขาคุณค่าของคน อยู่ที่ความประพฤติที่ดีงามมีเมตตากรุณารู้จักหวั่นใจในความทุกข์ของผู้อื่นและไม่สแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้าปราศจากคุ ณ, ณธรรมเสียแล้วปริญญาจะเป็นเครื่องมือให้คนหลอกหลอนตัวเองมากขึ้นและเลวร้ายยิ่งขึ้นถ้ามนุษย์ยังหลงไหลในอารยาธรรมจอมปลอมอยู่เพียงใด มนุษย์ไม่เพียงแต่จะแสวงหาความสุขไม่พบเท่านั้นแต่เขายิ่งจะมีความทุกข์ซึ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าต้องการความสุขก็จงลดความอยากให้น้อยลงถ้าเราถือตามพระดำรัสของพระาศาสดาที่เรานับถือนี้แล้วการทำงานก็เป็นเพียงหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เพื่อปลดเปลื่องหนี้สังคมที่คนเราเป็นหนี้กันอยู่คนละมากมาชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนมนุษย์พยายามดิ้นรนจากความเดือดร้อน ซึ่งได้รับอยู่ด้วยหวังใจว่าจะได้รับความสุขความโปร่งใจเมื่อหลุดพ้นจากความเดือดร้อนอันนั้นแล้วแต่เขาก็มืดมนต่ออนาคตดิ้นรนไปอย่างลังเลและกังวลว่าภาวะใหม่ซึ่งเขาดิ้นรนไปหานั้นจะดีกว่าเก่าเสมอเก่าหรือเลวกว่าเก่าก็หารู้ไม่แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดิ้นรนชีวิตคือความดิ้นรน ในโลกแห่งความฝันนั้นทุกคนมีอิสระมีเสรีภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขจากความคิดคานึงของตัวเองด้วยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในกระแสของกิเลสควรจะส่งจิตของตนให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างโลกแห่งความฝันบ้างโลกแห่งความเป็นจริงทำให้มนุษย์เราดิ้นรนมากกว่าโรคใด และทาให้เบื่ออะไรง่ายๆบางทีจะรู้สึกเบื่อมนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งเบื่อตัวเองด้วยแต่ตราบใดที่มนุษย์ยังกระเสือกกระสนเพื่อความสุขอันฉาบฉวยแล้วตราบนั้นเขาก็จะต้องประเชิญกับความทุกข์ขั้นมูลฐานและความทุกข์อันหน า, นานแน่นอยู่ด้วยเสมอไปหลายคนรู้เรื่องนี้ทราบซึ้งในเรื่องนี้ดีแต่ทั้งทั้งที่รู้นั่นเองเขาก็กระเสือกกระสน ลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ความโศกเช่นคนทั้งหลายทั้งนี้เพราะเขายังทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะเอาชนะความรู้สึกบางอย่างซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมตัวของเขาอยู่มีอํานาจเหนือจิตใจของเขาอยู่ถึงกระนั้นก็ตามการรู้อะไรอะไรเสียบ้างแม้จะยังทําไม่ได้เวลานี้ก็มีโอกาสที่จะทําได้ในวันหน้าดีกว่าคนที่ไม่รู้ไม่สนใจเสียเลย ซึ่งชีวิตและจิตใจของเขามีแต่จะจมดิ่งลงไปในทะเลแห่งความทุกข์ความเศร้าหมองโดยส่วนเดียวมนุษย์เราก็มักจะเป็นสีอย่างนี้ ที่พอจะเป็นเพื่อนกันได้ก็มักจะริษยากันเสียตั้งตัวเป็นศัตรูกันที่สูงต่ํากว่ากันก็เหยียดหยามกันเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าตัวคนต่ําต้อยก็คุกเข่าให้เขามากเกินไปจนคนมีอํานาจเหริองอานาจจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ถูกหมดไม่มีใครกล้าคัดค้านไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจเมื่อผู้มีอํานาจ ทำผิดพลาดลงไปแล้วก็เห็นมาแววงกัดกับผู้น้อยกว่าทำไมมึงไม่เตือนกูเสียก่อนปล่อยให้กูทําผิดไปได้เรื่องเสน่ห์ในตัวของคนนั้นมีมูลฐานมาจากเมตตาจิตนั่นเอง ถ้าเราอบรมใจของเราให้มีเมตตามากๆไม่คิดร้ายต่อใครกระแสแห่งเมตตาจิตของเราก็จะคอยแผ่ซ่านออกไปและไปกระทบกับความรู้สึกของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเห็นเราเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูหรือน่าเคารพนับถือโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ตรงกันข้ามถ้าเราเคยคิดร้ายต่อเขา แม้เราจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้กระทําอะไรแต่กระแสความรู้สึกจะไปกระทบเขาได้เช่นเดียวกันผลก็คือเขาจะไม่ไว้ใจเราและเกลียดเราได้โดยไม่มีเหตุผลหลักอันนี้มีข้อยกเว้นได้เหมือนกันเพราะทางที่ดีที่ง่ายและลงทุนแต่น้อยในการสร้างสเสน่ห์ในตัวก็คือพยายามปลูกฝังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ คนที่มีนิสัยมักมุ่งมองคนในแง่ร้ายนั้นจะหาทางเจริญก้าวหน้าได้ยากเหลือเกินเพราะเมื่อเขามองแต่แง่ร้ายก็จะเห็นแต่แง่ร้ายหนักเขา้าความร้ายต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ในตัวของเขานั่นเองคนพวกนี้เมื่อเห็นใครดีก็วิจาร์ด้วยจิติษยาแต่เมื่อเห็นใครทำชั่วทำเสียยิ่งวิจารถนัดปากนัก เป็นการปิดทางก้าวหน้าของตัวเองอย่างแท้จริง ผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าทุกทางใจนั้นสามารถแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธองค์ถ้าสามารถปฏิบัติจนหมดกิเลสได้ทุกทางใจก็หมดได้เทพดีมีสาระที่ธรรมทัศสมาคมได้จัดทําขึ้นยังมีอีกหลายชุดสำหรับชุดนี้ต้องขออําราท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดี จะมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญธรรม